พระธรรมเทศนากันนี้ท่านพระอาจารย์มหาบัวยานะสัมปันโนสแสดงโปรดนะหม่มหลวงจิตินพวงในคืนวันที่6ธันวาคม2 5 0 7ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานี ศารพยายามในที่หมายถึงการที่ชอบไม่ว่าทางโลกทางธรรมความรู้ศาสตร์พย่ยางความขายันมันเป็นในอย่างลงในงานชิ่นนั้นงานที่นั้นต้องจะเหนือยไร่วงไปไหนโดยไม่มีอุปรสรรคไดๆมาติดขวาม บรรดาท่าน ท, ทั้งหลายที่ได้รู้สาระานทั้งงานเป็นทีทั้งงานงงส่วนตัวาสมบัติทันไ้ข้ามาตลอดจีวิตจิตใจทุกอย่างได้ครีมาเพื่อมุชาในวงสเร็จพระปู่พ่อ ความตั้กระทําประสงค์และความเป็นผู้หาในอย่างถ้าหากว่าเรามีความเสียดายในส่วนใดส่วนหนึ่เราก็มันมีโอกาสจะสลับเวลาและสมบัติเัินมาลตลอดถึงหน้าตาสมบัติหมายถึงจิตวิจิตใจของตนเราเข้ามาสู่แดน เพื่อบำเพ็ญคุณนามความดีแก่ตนนี่ก็เพราะความกล้าเสียสละไม่มีความเสียดายนอกจากจำมุ่งผลมีตามพระรองค์พระพุทธเจ้าเท่านั้นแม้จะไม่เป็นเหมือนอย่างพระองค์ท่านแต่สมบัติ มันมีค่าซึ่งเกิดขึ้นจากความรู้ส์พพายามของเราอย่างไรก็ไม่ไร้ผลแน่นอนดะนั้นคืนวันนี้ก็ถ้ามันมีอุปสรรคจำเป็นใดๆก็คงจะเป็นคืนสุดท้ายในการที่ท่านทั้งหลายได้มาอบรม ซึ่งเป็นกิจการสำคัญขแขนงหนึ่งภายในตัวของเราแม้มาได้จากสถานที่นี้ไปแล้วก็โปรดได้มีความพยายามภาคเกลี่ยนในหน้าที่ทุก่ต น, นที่เคยทำมาไม่ว่าอยู่ในที่ไหนเมื่อมีโอกาส ก็เป็นช่องทางที่เราทำได้ก็กระตุนานาได้ถือเวลาเช่นนั้นเึนงนานอัตตากสมบัติของเราโดยจะผ่อนการประกอบความเพ่อนทางด้านจิตใจก็ขอให้ถือเช่นเดียวกับประกอบการงานทางโลก ยิ่งมีเวลายุ่งยากหนักเบาเป็นบางการเช่นเดียวกันแต่ถึงอย่างไรความมุ่งมั่นของเรากเพื่อจะให้งานที่นั้นๆั้นสเร็จได้ด้วยความเพียร ง, งานนั้นก็ต้องจับพ้นเคื่อมือของเราไปไม่ไานต้องสาเร็จเป็นลาดับไปงานทางด้านจิตใจก็ให้ถือในลักษณะนั้นเราอยาง มีความอิหนาละอาใจต่อการึก ป, ประกอบพัตนสมบัติที่หมายถึงใจของตนโดยเฉพาะให้ทาทำนองเขาทำไร่ทำนาเรืงร่งต้นจิตเขาไปทำนาซึ่งยังไม่ปรากฏผลอนไรเลยเพราะเป็นเวลาที่เขาบำบึงเหตุเช่นเขา ลงไปไถนาวันนี้ไถได้แปงลงหนึ่งวันหน้าไถได้แปงลงหนึ่งแล้วต่อไปทํำไปมาหยุดการไถการคลาดของเขาก็สำเร็จไปการปักดำก็วันนี้ก็ปักดำวันหน้าก็ปักดำสําเร็จเป็นแต่แปลงไปงาน ทุกชิ้นที่เขาทําในเบื้องต้นตอกแดดตา่างฝนทนต่อความลําบากรกรากรมทุกๆอย่างเขาก็ไม่คำหนึง่งทั้งความลําบากในการทํานาของเขานี่จะยังไม่มีผลอันใดปรากฏขึ้นในขณะที่ทําอยู่นั้นก็าตามแต่เขาก็มุ่งผลที่จะเกิดขึ้นจากต้นเหตุคือการกระทำอยู่แล้วแบบนี้จะกลายเป็นผลอันดีขึ้นมา ในวันต่อไปแล้ว usaha พยายามทำํำจนสําเร็จใครจะมีนากว้างแคบก็ต้องพยายามทำจนเสร็จเรียบร้อยเมื่อผลปรากฏขึ้นนาแปลงไหนก็เป็นข้าวเท่านั้นขนก็มาจะยุ่งต่ฉางก่อนมีตั้งแต่ข้าวเท่งนั้นไม่ถึงคราวที่ปรากฏผล อยู่ที่ไหนก็ปรากฏนาแปลงใดๆก็แสดงผลขึ้นมาและรวมเข้าไปเป็นสมบัติของเจ้าของทั้งหมดตอนผลจะเกิดขึ้นนี้ก็ปรากฏว่าผู้ที่บำเป็นเหตุไว้ต้องได้รับความทุกข์ยากลำบากทุกฟันทั้งวันทั้งคืนมาะฉะนั้นก็กลัวงานจะไม่ทันครับปีกับเดือน ส า, ายไปก็รีบทำให้ทันจะดูการการดีบเรืเ่องข้นขวายทำเพื น, นั้นย่อมมีความลำบากผู้กันทุกลายมุลผลปรากฏขึ้นมาแล้วก็เป็นที่พึงพอใจและให้มีความสุขความเจริกที่ไหนก็สะดวกสบายพมีอาหารการเมือพก สมบูรณ์เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเหลัการบำเพ็ญคุงงามความดีเพื่อสมบัติของตนก็โปรดได้พิจารณาอย่างนั้นเวลาทำลงไปที่ยังไม่ปรากฏผลเราก็อยากทำใจให้เห็นหรืออิน้นาละาจใจต่อหน้าที่ของเรา ขาขณะนี้เป็นขณนะที่เราบำเพ็ญเหตุยอมจะมีความทุกข์ความลาบากอยู่บ้างจะลาบากขนาดไหนก็เป็นเรื่องเราที่ทำเพื่อผลอันดีให้ตากดขึ้นมาเราไม่ต้องถือสิ่งเหล่านี้เป็นอุปรสรรคต่อความเพียรของเรายากก็ยากเพื่อผลอันดีจะยากขนาดไหนทุกข์ลบาก ประการใดก็เพื่อผลที่เรามุ่งหวังทางนั้นเมื่อเราได้ตั้งตนเหตุอันดีลงให้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจา้าที่ท่านตรัสไว้เช่นผู้ภาวนานด้วยอนาปานสติดีพุตโตเป็นตน้นนี่คือหลักธรรมที่พระพุทธเจา้าประทานไว้แม้จะมีความทุกข์ความลำบากในการบำเพ็ญ ด้วยธรรมเหล่านี้ก็ทุกเพื่อจะรู้แจ้งเห็นจิตเพื่อจะขอบทอนเรื่องของทุกเรื่องความโม่ความเท้าความลำบากของอจิตใจให้หมดไปเป็นมาความทุกข์เหล่านี้ก็จะเป็นผลแสดงขึ้นมาในอนาคตที่กลายเป็นความสุขขึ้นมาตามหลักพระบาลีท่านกล่าวไว้ว่า ทุกคัศนานันตะลังสุขขังทุกย่อมเกิดในลำดับแห่งทุกในการประกอบการงานทุกชิ้นไม่ว่าทางโลกทางธรรมต้องออกทุกไว้เป็นต้นทุกไม่เลยมีความทุกข์ความลำบากด้วยผิดการงานแต่ก่อนผลจะเกิดขึ้นมาให้เป็นที่รับสนองแก่เจ้าของย่อมเป็นไปไม่นานเห็นเราเรียนหนังสือก็อลาบาก เพราะอะไรก็ไม่เคยได้กอไก่กอกาก็ยังไม่มีในจิตใจแต่เรียนภาษาไทยก็หนังสือไทยเราเองก็ยังต้องลำบากแลวต้องพูดถึงเรื่องพูดถึงหนังสือต่างชาติเวลาที่เราเรียนก็ลำบากแบบนี้่อเมื่อเรียนได้แล้วเป็นอย่างไรมีความสะดวกสบายเรียนบันนั้งคำก้อ้หมด ความรู้ของเราที่เรียนมา่มให้อานวยความสะดวกให้เราอย่างนี้การที่เราจะมีความรู้ความฉลาดก็เนื่องจากการศึกษาเราเรียนเวลาศึกษาเราเรียนก็ต้องเป็นความลําบากเหมือนกันแต่อำนวยผลให้เป็นความสะดวกสมายในวาระต่อไปมีการบําเพ็ญจิใตใจเบื้องต้นก็ต้องมีความลําบากหากไม่เป็นเช่นนั้นแล้ว คือว่าความทุกข์ทั้งสัตว์และบุคคลไม่หยีใครต้องการยอมจะเปลืองออกได้ด้ยวยกันโดยไม่ยากเยยนอะไรเลยมีวิธีการที่เราบำเพ็ญจิตใจของเราก็เพื่อจะเปลืองทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่แน่ชัดอยู่กับใจมาเป็นมวลานานจึงต้องหาครูหาอาจารย์หาหลักหาเตจนทาให้มีแบบมีแผนให้มีถูกกดเกณฑ์ตามหลักธรรมของพระโทธิจัก ประโยคแห่งความเพี้ยนก็เรียกว่าเป็นกฎเกณฑ์อันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านดําเนินไปเช่นนี้ไม่ไดําเนินด้วยความเียาดชีค้าดไม่ไดําเนินเพื่อความเช่อ ข, ขาดหวาดตัวไม่ไดําเนินเพื่อความอ่อนแอแต่ดําเนินเพื่อเพืความขยันมั่นเพียนเพื่อความกล้าหาญผลจึงปรากฏขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กราบไปท่านดีนับเป็นนี่ทางเดินของท่านเดินดังนี้ วิธีการที่ท่านเดินก็คือหลักธรรมเราก็นำวิธีของท่านดำเนินมาทั้งประโยคแห่งความเพียรทั้งอุบายวิธีแห่งการอบรมก็ได้มาจากพระพุทธเจ้าทางนั้นขณะที่เราทําลงไปก็เช่นเดียวกับการเดินทางเพราะทางไม่ใช่จะมีความสะดวกตลอดไปทางบางแห่งของมี ความลำบากแดดก็ร้อนทางก็ไม่สะดวกประกอบด้วยหินโดยกลวดน้ำทาก็ไม่มีต้นไม้ตามถนน้นทางที่จะพักอาศัยก็ไม่มีในระยะเช่นนั้นเรียกว่าทางลำบากแต่ถึงจะลำบากขนาดไหนเราผู้มุ่งต่อจุดที่เราจะไปนั้น ก็ต้องเดินผ่านไปตามทางสายนั้นจนกว่าจะผ่านไปได้มีทางแก้ทุกข์ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าจะแก้ทุกข์ก็ต้องผ่านทุกข์ไปเช่นเดียวกับพวกเราขณะนี้เราก็จะพยายามแก้ทุกข์ออกโดยลําดับก็ต้องมีความทุกข์ความลํำบากหรือบ้างเรื่องความทุกข์ความลําบากในการประกอบบุญ ง, งามความดีเพื่อตัวเองนี้ ไม่ใช่เป็นทุกข์ที่จะทําความทิกหายจากพวกเราแต่เป็นทุกข์เพื่อจะกลายเป็นผลอันดีขึ้นมาคือสุขในการต่อไปเพราะฉะนั้นการบําเพ็ญตนอยาได้คํานึงถึงลงทุกข์ในประโยคต้นๆให้มากกว่าผลอันดีที่จะเกิดขึ้นในการข้างหน้าแต่ทุกข์ลำบากก็ให้ปฝ่าผืนกันไป เป็นกว่าจะเป็นไปได้และความทุกในการประกอบความเพียร น, นี้ไม่ใช่จะทุกอยู่ตลอดเวลายังจะมีเป็นวักเป็นตอนถึงเวลาจะได้รับความสะดวกก็ย่อมจะมีไม่ใช่จะทุกอยู่ตลอดเวลาถ้าหากเป็นอีูเช่นนั้นไม่มีใครสามารถจะพ้นจากทุกไปได้เลยแม่องค์ของพระพุทธเจ้าก็จะพ้นแตบไม่นานเพราะทนต่อทุกไม่ไหว ทำไปมากเท่าไรทุกก็ย really really mm ังมีปริมาณมากที่แรกทุกก็คล้ายกับว่าเท่าคลุกเท่าถังขั้นดําเนินไปมากเท่าไรก็ทุกคล้ายกับว่าเท่าภูเขากว้างแสนกว้างเหมือนมหาสมุทรทะเลก็ยิ่งจะทับถมเราไว้หาท่องไปไม่ได้แต่นี่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะการ ที่เราทำความเพียรแต่มีทุกข์เพื่อแสงอยู่ในประโยคแห่งการทำนั้นเป็นอุบายที่จะให้เราผ่านพ้นจากทุกข์ที่ปรากฏเหล่านี้ไปได้เป็น น, ำนำํำหนักจนถึงความสะดวกกายสบายใจในวะละต่อไปถ้าหากว่าเราจะพิจารณาถึงเรื่องความทุกข์แต่เพราะเราผู้บาเพ็ญ อยู่ในบัตรนี้เพียงลายเดียวแล้วก็เป็นเหตุจะให้เกิดความท้อใจฉะนั้นโกรได้คิดไปกว้างๆนับตั้งแต่พระพุทธเทจ้าลงมาถึงสาวกถึงครูบาอาจารย์ผู้ทีท่านวางแนวทาอันดีไว้และผู้แนะนำสั่งสอนเนา่านาทุกวันทุกวันนี้ท่านดำเนินมาอย่างไร ท่านก็ต้องจะมีความทุกข์ยากลาบากเช่นเดียวกับเราหรืออาจจะมากยิ่งกว่าเราก็ได้แต่เพราะความขยันหมั่นเพียรความกล้าเป็นกล้าตายเพราะเชื่อหลักธรรมของพระพุทธเจา้าว่าไม่ใช่เพชฌฆาตที่จะสังหารบุคคลผู้มีความเพียรให้ล่มจมที่พ่ายไปนั่นเองเพราะอำนาจแห่งความเพียรที่มีความกล้าตายต่อหลักธรรมของพระพุทธเจา้านั่นแหละ เป็นเหตุที่จะให้ผู้นั้นประกอบความภาคความเปียนไม่มีความท้อถอยและลดละสิ่งที่มีความปิดบงังลี้ลับหรือเจียดแทงภาย ใ, ใจิตใจค่อยๆเปิดเผยตัวออกมาเป็นความจริงให้ปัญญาได้สอดรูแล้วรู้เงินแก้เงื่ินไขกันเป็นลําดับเป็นลาดับไปผลก็ปรากฏขึ้นมาตามรอยหเหตุที่ดําเนินถูกทางนั่นเป็นต้นทุนสนับสนุนจิตใจของเรา ให้มีความถูกเป็นลำหนับและเป็นสื่ออันหนึ่งที่จะให้เกิดความเชื่อความโน่มนสยเพราะความเห็นประจักษ์ใจในขณะที่เราทำความเพียรด้วยความกล้าเป็นกล้าตายปรากฏผลขึ้นมาภายในใจของเราทางพระพุทธเจ้าสาวกและครูบาอาจารย์ท่านาฟาดฟ้นอุปสรรคมาเช่นนั้น ไม่เช่นนั้นจะเป็นไปไม่ได้ส่วนผู้ที่ง่ายเราก็ยกให้ทานเชียรเราจะเป็นคนประเภทง่ายอย่างนั้นหรือไม่เราไม่ต้องไปคำานึงให้มากจะกลายเป็นอุปสรรคต่อเราอีกเหมือนกันง่ายกับยากเราจะทำให้เป็นผลเป็นประโยชน์ ก, กับใจของเราจะลึกแสนลึกจะขุดจนกระทั่งถึงน้าจะไกลแสนไกลจะไปให้ถึง ยากแสนยากจะพยายามคุย้ยเคายหามาจนมากจริงใดที่เราประสงค์ชื่อว่าเป็นของมีอยู่และไม่เหลือวิสัยของเราที่จะทําได้แล้วเราต้องพยายามทาความจัดความจริงความกล้าหาญต่อตนเองให้แนบสนิทกับใจเสมออย่าให้ห่างจากความจัดความจริงเป็นเครื่อง หนุนหลังจิตใจของเราไปไม่ฉะนั้นใจจะอ่อนแอและจะไม่เห็นผลที่ควรจะปรากฏขึ้นจากความเพลี่ยนของเราเบื้องต้นต้องยากเป็นจำนวนมากท่านต่อไปก่อนจะค่อยมีความสะดวกไปคำว่าสมาธิคือความสงบนั่นสงบได้ด้วยการฝันขวาย ด้วยการฝึกฝนอบรมด้วยการพระมานตัวเองไม่ใช่เป็นสมาธิขึ้นมาอย่างลอยๆคือเป็นขึ้นมาจากประโยคแห่งความเพียรจะเพียรมากเพียร น, น้อยสุดกำลังของผู้เพียรด้วยกันสมควรจะเป็นสมาธิขั้นไหนขึ้นมาจะเป็นเพราะอํานาจของความเพียรผู้นั้นให้เราคิดอย่างนี้ถ้าเราจะไปวาดภาพไว้ก่อนแล้วจะเป็นเหตุให้ถอยความเพียร พราะภาพนั้นไม่ใช่สมาธิที่แท้จริงแต่เป็นภาพที่จะก่ออุปสรรคขวางจิตขวางใจขวางทางนำเนินของเราให้ก้าวไปไม่ได้หลักที่สาคัญที่จะให้เป็นไปเพื่อความสะดวกและเห็นผลประจักษ์เป็นลำดับนั้นคือหลักความเพียรอย่างไรจะไม่ท้อถอยในการประกอบความเพียร จิตจะมีความฟุ้งซ่านไปถึงไหนเพราะจิตนี้เป็นสมบัติของเราจิเลธอาสะวะทั้งหมดเกิดขึ้นมาจากใจไม่ใช่ใจเกิดขึ้นจากจิเลธเมื่อเป็นเช่นนั้นใจจริงเป็นผู้มีอำนาจหรือใหญ่โตวกว่าจิเลธที่เกิดขึ้นมาเช่นเดียวกับลูกที่เกิดขึ้นจากพ่อแม่จะเกิดขึ้นมาสักกี่คน ก็ต้องเราผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องเป็นใหญ่กว่าลูกทั้งหมดอยู่นั่นเองลูกทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากพ่อแม่จะต้องเรียกว่าเป็นพ่อแม่อยู่ทุกทุกคนเราเป็นพูิเหนืออำนาจกว่าลูกของเราในเรื่องของกิเลสไม่ใช่จะเหนืออำนาจกว่าเราเสมอไปเพราะเกิดขึ้นจากเราถ้าเทียบก็เหมือนกับลูกของนอก มีอำนาจน้อยกว่าเราจิตใจรัตติปัญญาเป็นสิ่งที่เราจะสั่งสมขึ้นได้เพราะการเสาะแสวงหรือความ้าคความเพียรของเราหากจะเป็นของเกิดขึ้นมาได้แล้วจะไม่มีคนฉลาดคนดีในโลกนี้เลยเท่าที่มีคนดีอยู่ในโลกก็เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เหนืออำนาจของผู้ใยายาจะผิดหรือฝึกค้นให้เกิดขึ้นพายใ้ จิต ใ, ใจของตนมีลักษณะของพุทธบริษัทลูกของพระพุทธเทจา้าเราต้องเอาพระพุทธเทจ้ามาเป็นแบบสมัครอย่าเอาแบบความเียดคราสความผ่อนแอความที่าขาดหวาดกลัวมาเป็นครูเป็นผู้นําทางเรื่องเหล่านี้อยู่ที่ไหนไหนก็มีในสัตว์ในบุคคลมีถ ม, มไปถ้ า, เ, าเป็นสินค้าแล้วจะไม่มีใครซื้อใคร คพราะใคก็เต็มไปด้วยสินค้าประเภทที่ไม่ต้องการเ้มือนกันไม่ว่าแต่เขาเราก็มียิ่งเราจะตั้งได้สักกี่ชั้นเอาสินแบบนี้มาเป็นสินค้าแล้วจะไม่มีเข้าใายเข้าล้านเราอีกเพพราะเขาเขาไม่อดเขาอาจจะได้มากกว่าเราก็น่าต่งางห่างต่างล้านขึ้นขึ้นแล้วเอาความขี้เกียจที่ข้านมาเป็นสินค้าขาย แล้วจะไม่มีใครมาซื้อเพราะใครก็ไม่อดมายานี่ให้เราทราบว่าสิ่งเหล่านี้ไม่อดนอกจากเราจะพยายามสลัดปัดทิ้งให้ทางไกลจากจิตใจของเราเปาพยายามเอาความขยันหมั่นเพียรเข้ามาเป็นเครื่องระดับล้านของเราคือประดับกายประดับจิตใจของเราประดับความภาคความเพียรของเราให้มีสง่าผ่าเผยขึ้นภายในจิตใจ ผู้นั้นจะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นลำนับลำดับไปนี่คือว่าลูของพระพธเจ้าต้องพยายามนำเรื่องของพระพธเจ้าและสาวกตลอดครูบาอาจารย์ผู้ท่านดีไปแล้วมาเป็นครูสอนตนสมออย่าให้สิ่งเหล่านี้มีโอกาสแทรกสิงและทำลายความเปลี่ยนของเรา แล้วสิ่งที่เรามุ่งหวังอยู่ทุกวันคือเริ่มแต่ความสงบเยือกเย็นภายใน ใ, นใจนั้นจะไม่หนีจากหลักธรรมคือความพยายามนี้ไปได้เลยคุณธรรมที่ยิ่งกว่านั้นก็ต้องอยู่ในเงื้อมมือแห่งความเพียรของเรานีอีกเช่นเดียวกันใครไม่ได้มีความรู้ความฉลาดสามารถโดยลำพังตนเองตั้งแต่วันเกิดมาต้องมีความโง่ด้วยกัน แต่อาศัยครูอาศัยอาจารย์อาศัยการศึกษาเราเรียนและอาศัยประโยคพยายามเมื่อได้รับการศึกษาอบรมจากตำหนับตําราหรือจากครูอาจารย์มาแล้วก็พยายามกผลอบรมตนเองเรื่องความรู้ความฉนาดก็จะคลอดปรากฏขึ้นเป็นลำหนักคําที่ว่าสมาธิคือความสงบจิตใจนั้นจะไม่นีจจากหลักความเพียงที่กล่าวมานี้ได น, นเลย ไม่วันใดต้องวันหนึ่งจะปรากฏขึ้นมาภายในจิตของผู้ที่เคยปรุงซ่าปรุงศาลที่ไม่เคยมีความสงบนั้นโดยแน่นอนขอแต่ความเปลี่ยนเป็นทําข้าประการไว้อย่าได้ลดละเท่านั้นอย่างไรเราต้องเห็นจะมากหรือน้อยจะปรากฏขึ้นเพราะอำนาจความเปลี่ยนของเรา ในหลักสมาธิก็ต้องอาศัยความเพียรเช่นในหลักของปัญญาก็ต้องมีความเพียรเหมือนกันต้องเป็นผู้ชอบสอบแสวงชอบไกลกรองพิจารณาดูเหตุดูผลภายนอกภายในทเทียบเคียงกับหลักธรรมควรจะปล่อยวางหรือควรจะรู้แจ้งที่จริงในสิ่งที่ปกปิดกำลัง โ, ยโดยตนด้วยด้วยวิธีใดก็เป็นเรื่องของสติกับปัญญาจะสอบสซอง มองดูให้ทะลุปลกปลงในสิ่งที่มีอยู่กับตัวของเราใจไม่ใช่จะอับเฉาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีสติปัญญาสอดส่องหรือถากถางหนทางให้แล้วใจจะมีทางเดินไปได้วยความสะดวกราบรื่นเป็ น, นำํนำหนจะ ก, กลายเป็นใจที่มีคุณค่าขึ้นมาในบุคคลผู้มีความเพียรที่ประกอบด้วยสติปัญญานั้น ธรรมะปัญญาเป็นชื่ออันหนึ่งเมื่อแปลออกแล้วแปลว่าถ้าเป็นจิตเกยียรลักษณะของจิตที่มีความไขคขวรสอดส่องเห็นเราพิจารณาถาดขันก็ดูให้ชัดทั้งภายนอกภายในเรามองเห็นภายนอกเห็นเขาร้องไห้เป็นทุกข์ก็เทียบข้อในหลักธรรม เพราะการร้องไห้อยู่เฉยเฉยคนเราจะร้องไห้ไม่ได้ต้องมีเหตุปัจจัยเครื่องหนูนให้ปรากฏเป็นผลขึ้นมาคือตัวทุกข์ถึงกับแสดงมาทางกายของเขานีก็เทียบเข้ามาว่ามีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยหนูนให้เป็นเช่นนั้นเรื่องความสุขก็ต้องมีเหตุปัจจัยหนุนเรื่องความทุกข์ก็มีเหมือนกันอนีอธิบายยอ่อๆถึงเรื่องปัญญาที่เกี่ยวกับสิ่งภายนอกส่วนเกี่ยวกับสิ่งภายใน ให้ถือเรื่องของกายนี้ทั้งหมดเป็นที่ท่องเที่ยวของปัญญาคอยสอดส่องดูให้ชัดไม่ได้มีอันใดปิดบงังลี้ลับในส่วนแห่งร่างกายนี้ทุกจะเกิดขึ้ น, ส, น, นส่วนไหนในอวัยวะนี้จิจต้องรับรู้แล้วปัญญาให้สอดส่องมองดูตามความทุกข์ที่ปรากฏขึ้น ส่วนผสมในธาตุทั้งหลายที่รวมตัวเข้ามาเป็นตัวของเราอยู่ในบัตรนี้นี่เรียกว่าขณะนี้เป็นขณะที่เขารวมตัวเมื่อถึงการเขาจะแยกย้ายจากการรวมนี่แล้วเขาจะเป็นอย่างไรเราต้องดูไว้ก่อนโดยทางปัญญาไม่เช่นนั้นจะเกิดความเดือดร้อนเพราะรู้ไม่เท่าทันกับ สมบัติของตนเองคือร่างกายท่อนห น, นึ่งดูให้เห็นชัดทั้งความแปรสภาพภายนอกภายในในส่วนแห่งร่างกายของเราเรื่องร่างกายนี้มีทางเดินอันนดี้คือแปรสภาพไปตลอดเวลาเมื่อแปรถึงเต็มขีดแล้วก็สลายนันโลกทั้งหลายก็เห็นชัดว่าตายปัญญาของเราให้เห็นก่อนนั้นแปรก็ให้เห็นก่อน จะแตกสลายก็หเห็นก่อนเรื่องของทุกขจะเป็นไปในวันจะสิ้นอายุไขของเราก็ขอให้รู้เรื่องของทุกในปัจจุบันนี้ล่วงหน้าไว้ก่อนว่าจะปะแสดงข้างหน้าน้นก็คือทุกอันนี้จะไม่ใช่ทุกหน้าไหนมีชื่อไวไ่าอย่างไรต่อไปอีกแฝงเข้ามาในอนาคตคือการที่เราจะสิ้นที่ใบผล น, นั้นไปเลยจะเป็นทุกหน้านี้ ความแปรสภาพก็คือเรื่องอันนี้ที่แปรไปอยู่ทุกทุกขณะ น, นี้จะไปถึงวาระสุดท้ายอย่างความแปรก็คือความแปรสภาพในหน้าบัดนี้ความแตกสลายก็คือสิ่งที่เป็นก้อนอยู่ห น, น้าบัดนี้จะไปแตกให้เราเห็นในการข้างหน้าก็คือเรื่องของผู้นี้เองนี่ปัญญาให้สอดสองเช็นนี่ท่านเรียกว่าปัญญาดูให้เห็นชัดลวงหน้าไว้ก่อน ทั้งเรองความแปรสภาพตั้งแต่ต้นแห่งการตั้งขึ้นมาจนถึงจุดสุดท้ายแห่งความแปรสภาพความทุกข์ก็ให้เห็นเป็นลําดับที่ปรากฏขึ้นภายในการในใจของเราจนถึงทุกจุดสุดท้ายแห่งร่างกายนี้มี่ทัเรียกว่าปัญญาเมื่อได้ทราบชัดด้วยปัญญาไม่มีข้อสงสัยแล้ว ถึงธาตุขันของเราจะตั้งอยู่ก็ดีจะแปลสภาพไปจนถึงความแตกสลายก็ดีเรื่องของใจที่ได้ทราบชาดในเหตุในผลของธาตุขันโดยตลอดแล้วจะไม่มีความหมันไหวไปตามเลย นอกจากนั้นยังจะสามารถแยกทั้งธาตุทั้งขันเป็นจะเป็นขันหยาบคือรูปประขันก็ตามจะเป็นขันส่วนละเอียดคือนามขันได้แก่เวทนาสัญญาสังขารนิยามก็ตางยังจะสามารถแย ก, กออกจา ก, กจิตใจได้โดยตลอดรูปเป็นส่วนหนึ่งของจิตที่เข้ามาอาศัย เมตนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นส่วนหนึ่งของจิตที่เกิดขึ้นจากจิตแต่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ใช่เป็นตัวจิตที่แท้จริงแต่อาศัยจิตเกิดขึ้นผู้ไม่พิจารณาจิงหลงอาการทั้งหลายเหล่านี้แล้วรวบเข้ามาเป็นตนเสียทั้งหมดเมื่ออาการทั้ง4ีทั้งหานี้แสดงความเคลื่อนไหวผิดจากความประสงค์ของตนเล็กน้อยก็กลายเป็นทุกข์ขึ้นมา ทุกจึงมีอยู่ทุกแห่งทุกผลเพราะเรื่องของเรามันมีอยู่ทุกแห่งทุกผลปักปันเฉียดแดนไม่โดยทั่วถึงในส่วนแห่งร่างกายอันนี้เราจึงมีอยู่ทั่วไปเรามีอยู่ที่กรงไหนทุกก็ต้องตามรอยไปนี้ที่กรงนั้นเมื่อถอนเราออกมาแล้วเรื่องของทุกจะปรากฏขึ้นก็นทราบว่าทุกขเช่นทุกทางกายปรากฏขึ้นก็เป็นสภาพอันหนึ่ง พราะกายเป็นสภาพอันหนึ่งต่างหากไม่ได้รับทราบว่าทุกเป็นอะไรใจก็รับทราบว่าทุกนี้ปรากฏขึ้นมาแล้วมีทางจะดับไปโดยไถ่ยเดียวเท่านั้นเพราะทุกนี้ไม่ใช่ใจนะทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาจากใจใจรู้เท่าทันในเรื่องที่เกิดขึ้นจากตัวโดยทางปัญญา และยังสามารถจะรู้เท่าถึงฐานเกิดของขันได้โดยตลอดจนถอดถอนความสมมุติออกได้โดยสิ้นเิยไม่มีอันใดเหลืออยู่ภายในจิตนั้นแม้แต่น้อยนี่ท่านเรียกว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์เพราะนอกจากจะแยกจิตกับอาการทั้งหลายนั้นออกได้แล้วยังทำลาย สิ่งที่เป็นพืชอยู่ภายในจิตซึ่งฝังจมมาเป็นเวลานานเป็นเวลานา น, านออกได้ด้วยนี่ท่านบอกว่าท่านท่านเรียกว่าตัดบ่กังบนคือบ่แห่งกองทุกข์ทล า, ายออกได้พระพุทธเจา้าท่านตัดอย่างนี้ท่านรู้ความจริงของกองทุกข์ท่านรู้ได้อย่างนี้ และรู้ได้โดยความเพียนดังที่เราทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามอย่างนี้ทางสายนี้จะเป็นไปเพื่อทางพ้นทุกข์แม้เราจะไม่พ้นจากทุกข์าฐานที่เราจะเกิดหรือจะอาศัยอยู่ในภพใดแดนใดก็จะเป็นที่เจริญรุ่งเรืองและมีความสุขความสบายไม่เดือดร้อนอยู่ตลอดเวลานี่คือผลแห่งการปฏิบัติธรรมท่านจึงกล่าวไว้ว่า มโมหะเวรคติธรรมจาริถ้าธรรมย่อมจะจประคับประคองรักษาผู้ปฏิบัติธรรมให้มีความสุขความเจริญดังนั้นเรื่องความเพียจรจึงเป็นสมบัติอันสำคัญของเราผู้จะค่อยผ่านพ้นจากทุกข์ะได้เป็นนำ้นำหนักวันนี้ขอุอติธรรมเทศนา Thank you.